เม่อไงมีอะไรแปล่าวันนี้ยมเล่นากบรอฟังคำพาจาา้างนะคะฟังเฉยๆนะรอฟังเทสพยาจ้่งแล้วเป็นไงตั้งแต่ที่มีประสบ ป, ประการมาแล้วจิตใจกลับเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมไหมเปล่าไม่เหมือนือไม่เหมือนลนะก็คืออ๋อขอบคุณนะคะต้องใช่ก็ ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เท่าที่เช็คดูสภาพใจค่ะเคยเคยไม่กลัวเรากลับไปกลัวหรือเปล่าไม่กลัวค่ะไม่กลัวเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้เวลาที่สนุกอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราสนุกแบบมีสติค่ะยังยากสนุกเดียวอะคือหมายถึงว่าบางทีเราก็ต้องมีเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยหนูก็มีสติกับเสียงหัวเราะของตัวเองค่ะยังไม่เบื่อเลย ยังไม่เต็มที่ถึงขั้นต้องเบื่อคือหนูอะมีความคิดว่าลูกผู้หญิงอะคะ่ะพระอาจารย์ไปอยู่วัดอ ะ, อะหนูมีประสบการณ์ในการที่ไปอยู่วัดมานานๆนะค ะ, ะแล้วหนูก็ได้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆอะ่ะการเกิดเป็นผู้ชายในศาสนาพุทธอะเป็นอะไรที่ง่ายต่อการดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในศาสนาพุทธอะคะ่ะ แต่ผู้หญิงอะอยังค่ะพรอาจารย์คือหนูอะสืบสอบหาแม้กระทั่งสำนักของภิกษุณีนะคะแล้วหนูก็ก็ทราบว่าต้องคลุกรรมก่อนสองปีก็ตามแต่แ ต, ตอนแต่ตอนนี้มีที่อะไรนะอินเดียแที่ไม่ใช่จำที่ไม่ได้อะนึกอ่ฮะซึ่งที่เมืองไทยยังไม่มีค่ะแล้วก็ถ้าถ้ามีจริงๆก็ไม่รู้ว่าแน่แท้จริงหรือเปล่าคะ่ะก็เลยรู้สึกว่า เป็เ<ร>ผู้หญิงบวชลำบากใช่<น><น>เป็นผู้หญิงบวชลำบากเจ้ค่ ะ, ะรพระที่อยู่ยากใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะที่อยู่มันคืออย่างเป็นผู้หญิงเข้าวัดอะค่ะก็ในสถานภาพที่เป็นผู้หญิงก็พระก็เป็นผู้ชา ย, ยแต่จริงๆอ่ะหนูอยากจะอยากจะออกความคิดเห็นว่ามันมีผู้หญิงที่อยากจะเข้าวัดแล้วเพื่อบรรลุธรรมอยู่จริงๆมีอยู่จริงที่ไม่ได้เข้าไปแล้วไปทําความวุ่นวยกับพระอะค่ะออมันก็เลยแบบ ยากนิดนึงในสมัยปัจจุบันนี้เจ้าค่ะเคยไปที่เ ข, ขาเขาสวนหลวงป่าเขาเลยนะคะก็เขาสวนหวง อ, อยู่แถวลาดบุญยว์ที่นั่นก็เป็นสำนักของแม่ชีของผู้หญิงอย่างเดียวแล้วคือว่าอีกอย่างหนึ่งค่ะผู้หญิงอยู่รวมกันเยอะๆอ่ะอืมันก็ไม่เหมือนกับผู้ชายที่อยู่รวมกันเยอะๆผู้หญิงอยู่รวมกันเยอะๆก็มีปัญห า, าหนูก็ไม่ชอบที่จะอยู่รวมกันเยอะๆกับผู้หญิง ก็เลยวางแผนชีวิตไว้ว่าณนะบ้านไปแล้วคงจะมีที่มีทางของตัวเองที่แบบอยู่ภาวนาอไปสงบไปอย่างเงี้ยค่ะคือวางรากฐานวางไว้แบบนี้เพราะเท่าที่อยู่วัดมาเยอะๆแล้วอ่ะเหมือนรู้แล้วว่ามันยากอาจารย์ไปไปแต่ละที่ก็มีปัญหาแล้วนะหนูเข้าใจนะคะว่าแต่ละที่มีปัญหากับว่าคนสถานที่ที่ใช้ผู้หญิงอยู่เพื่อภาวนาเต็มที่อะคะ่ะมันออื ม, อม ยังยากนิดนึงค่ ะ, ะคือพระก็มองว่าเอาเป็นผู้หญิงมาคือพระหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหรือจะมาอะไรหรือเปล่าอย่านี้อีก <c oughs> ซึ่งผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นซะไปหมดนะคะอระเขาก็ไม่คิดอย่างงั้นหรอกคิดกันไปเอง <c oughs> คือพระไม่คิดแต่ว่าคนที่แบบอยู่รอบๆค่ะก็จะแบบอย่าไปนะอย่าอย่างนั้นตั้งกดให้แบบว่าเราแบบ ยากในการที่จะเข้าไปฟังธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ยากที่จะเข้าหาเข้าถึงอะค่ะแต่ไม่ก็มีไม่ใช่เลยว่าที่มีครูบาอาจารย์มีผู้หญิงไปอยู่ปฏิบัติธรรมมีค่ะแต่ว่าก็จะมีลิมิตว่าเจ็ดวันแล้วออกอย่างเงี้ยค่ะอไม่ได้อยู่ประจําค่ะอยู่ประจำนี่อยู่ยากค่ะแต่ที่หนูไปอยู่มาหนูไปอยู่กับหลวงปู่บุญมาที่สกลนครหนูก็ไปอยู่ประจำมานั้นอยู่เกือบห้าเดือน นั่นก็ดีมากเหมือนกันค่ะดีมากแต่ก็รู้รู้สึกว่าเออเราถ้าจะตลอดชีวิตเนี่ยคันคงมีที่ของตัวเองแล้วอยู่ไปปฏิบัติไปเงียอืค่แต่ น, น, นี้ยังไม่พร้อมที่จะไปอยู่ <c oughs> ยังรสวยรัก ง, งามอยู่่ะ <c oughs> นิดนึงค่ะอ๋อยังนิดนึงอยู่ <c oughs> ทำไมยังรักสวยรัก ง, งามอยู่ก็ <c oughs> ยังมียังรู้ตัวว่ายังชอบสวยอยู่ค่ะ <c oughs> มีกเลเหรอกิเลค่ลนะอแต่ว่าถ้าเราสวยแบบเรามีสติได้ไหมคะต้องสวยมีอสุภะดีกว่าใช่ค่ะต้องสวยแบบมีอสุภะค่ะสวยแบบไม่สวยหนูหนูหนูก็เคยเพ่งอสุภะแล้วค่ะอาจารย์เคยแบบแต่ตอนนี้มันอดูเนี่ยร่างกายเนี่ยที่เราพยายามแต่งพยายามอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลายเป็นศพไม่ใช่อาจารย์เจ้าขาแต่ว่าพอเรามาอยู่ทางโลกอะมันก็แต่งเข้าไปบ้างอะค่ะ แต่งบ้างให้มันอยู่ได้ออแต่งก็แต่งก็เพราะาไม่มีธรรมะ ม, มันก็เลยแต่งมันมีกิเลสมันก็แต่งค่ะก็น่าจะมีอยู่คะ่ะถ้า ม, มีธรรมะเขาก็ไม่แต่งถ้าก็มีอสุภะก็ เ, เห็นร่างกายว่ามันก็แค่อาการสาวติดสองหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็ย่นถ้า<ว>ถ้ามีอสุภะอย่างนั้นอ่ะคือดูตลอดเวลาหนูว่าอยู่วัดเหมาะกว่าคะ่ะ ไม่ต้องต่งเลยคือสี่แปดไม่ต้องแตังเลยอันนี้สะดวกกว่าถ้สรุปแล้วมันไม่ใชที่ไม่ใช่วัดมากกว่ามั้เป็นเรามากกว่าเป็นเราเองใช่ไหมคะอ่ค่ะ <c oughs> สาธุงั้นคนอื่นที่เขาอยู่วัดกันได้ก็อยู่กันได้ยังไงใช่ไหมค่ะบ่งผมไปเลยคะ่พะพะอาจารย์อ่อาออัน้นก็มีที่ผู้หญิงอยู่เดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจคิดว่าไม่มีที่สําหรับผู้หญิงอยู่มีแต่ผู้หญิงก็ต้องอยู่แบบอ แบบแบบพระคือต้องปรงน่ะต้องไม่รักสวยรักงามนะต้องตัดกามอารมณ์อันนี้เป็นตัวที่จะ ท, ที่ที่ทำให้คนไปอยู่วัดกันไม่ค่อยได้ก็เพราะยังมีกามอารมณ์อยู่ยังรักสวยรักงามั้งตัวสวยงามของตัวเองและความสวยงามของคนอื่น เห็นคนอื่นสวยงามก็อยากจะได้มาเป็นแฟนอยู่กับแฟนแล้วมีความสุขอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาออย่างนี้ก็ไปอยู่วัดไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นานอยู่ไปก็เพราะว่าอเบื่อก็ไปพออยู่สักพักหายเบื่อก็อยากจะกลับ เมืเ่อเบื่ออยากยากอาจารย์คะคือเหมือนกับแบบอยู่เพื่อที่จะให้จิตใจเข้มแข็งมากๆที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเข้มแข็งมากแล้วไงคะอ่าแต่ไม่ไม่เข้มแข็งสักทีเ <c oughs> ข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ทางโลกแบบพอแข็งเลยก็ขอออกเอยขอกลับอีกนะขอกลับไปสู้ทางโลกต่อคิดว่าเก่งนะอเดี๋ยวพักถ้าพักอย่างนีก็ไปเจอกระดูกเข้าเจอก้างเข้าก็ กลัวันนั้นเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็คือตอนนี้คือถ้ามีปัญหาอนะไรคือจะจะอยู่จะอยู่กับปัญหาแบบใจแข็งแรงแล้วก็มีสติอะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนกับรู้ว่าโอเคนะเราต้องรับกรรมนะแล้วก็ถ้าเรารับกรรมอะเราเราจะคลองสติตัวเองกับกับกรรมณนะตอนนั้นยังไงกับใจตัวเองอะคะ่ะหนูคิดแบบนี้ใจของหนูจะได้ว่ายังยังฝึกสติ ฝึกสมาธิไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เก่งยังเข้าสมาธิไม่ได้ถ้าเข้าสมาธิได้นะมันจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้วมันจะไปอยากจะไปอยู่วัดมากกว่าอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านมันวุ่นวายหนา อ, อจิตสงบแล้วมันจะไม่ค่อยยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสตา่ตางๆถ้าจิตไม่สงบนี่มันหิว มันหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสเวลาไปอยู่ที่สงบที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าจิตสงบแล้วนี่มันไม่หิวรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยกลายเป็นของน่าลำคาญไปเวลารูปเสียงกลิ่นรสมากระทบกับจิตที่สงบมันทำให้จิตกระเพื่อมทำให้จิตไม่สบายคนที่มีความสงบจังไม่ค่อยอยากจะอยู่กับที่มี แสงสีเสียงมีรูปเสียงกลิ่นรสชอบไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ที่ไม่มีแสงสีเสียงยังถ้ายัางไปอยู่ไม่ได้ก็ยอมรับเถิดว่าเพราะาเรายัางเข้าไม่ถึงความสงบอคนที่เข้าถึงความสงบแล้วจะชอบไปอยู่วัด ขอาการครูบาอาจารย์ถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากเช็คใจเราอะอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่เพื่อที่จะเช็คใจแล้วว่าเราเร า, เราแน่นพอไหมอย่าเงี้ยค่ะว่ามันกระเพิ่มหรือเปล่าถ้ากระเพิ่อมเราก็รู้ว่าอืม응โอเคอันนี้คือทุกอย่างตอนนี้หนูเริ่มทํางานทางโลกอะ่ะพอเราวที่หนูได้รับความทุกข์จากทางงานนะคะหนูก็จะเข้าใจกับตัวเองว่าโอเคอันนี้แหละมันคือทุกที่เราที่เราเข้าใจแล้วแล้วเราก็ยังจะออกมาหามันอีกเพราะฉะนั้นก็ก็คือดูใจเราะคะ่ะหนูคิดหนูทําแบบเนี้ยค่ะ เ, เดี๋ยวก็ตอนนี้มันยังไม่ทุกข์มาก <c oughs> เดี๋ยวมันทุกข์มากมากก่อน <c oughs> เดี๋ยวเสียของที่เรารักมากๆไปก่อน <c oughs> ถ้ายังเสียของที่เราไม่รักไม่มากก็ยังพอทำใจได้อย่ะ <c oughs> เดี๋ยวเกิดต้องเสียของอะไรที่เรารักมากๆาก <c oughs> ถ้าเกิดไปหาหมอหมอมอกเป็นโรคมะเร็งเหลืออีกหกเดือนนี่ก็ ทีนี้ก็คงจะกลับเข้าวัดอย่างรวดเร็วแล้ว <c oughs> อพรไม่รู้จะอยู่ไปทําไมนะค <c oughs> อยู่ไปก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขได้แล้วะีนี้ต้องรู้แล้วว่าต้องไปหาความสงบน ะ, <c oughs> ะ, ะมันมันมันต้องมีอะไรไล่เราเข้าวัดนะถ้าไม่มีแล้วมันก็ยังยังสนุกยังเพลิดเพลินอยู่อื วิธีหนึ่งที่จะไล่เราเข้าวัดก็คือให้หมั่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอความแก่ความเจ็บความตายมันกําลังคลานเข้ามาหาเราบ่อยๆแนละ้วมันก็เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอแล้วท่านก็นมาพิจารณาอยู่เรื่อย โอ้เดี๋ยวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแนละเดี๋ยวต่อไปเราก็สนุกไม่ได้นะหาความสุขจากทางร่างกายไม่ได้นะเราลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายกันก็เลนอยากจะกลับไปอยู่ทางโลกออกไปหาความสุขทางร่างกายต่อเพราะแม่ครูจานค่คือหนูอ่ะคือหนูเข้าใจว่า เกิดแก่เจ็บตายเจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนกับเหตุผลของหนูคือหนูต้องหาทรัพย์ก่อนเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะทําให้แผนการที่หนูวางไว้ในบ้านปลายอ่ะสําเร็จอ่ะหนูก็ต้องไปหาทรัพย์อย่างเงี้ยแต่หนูจะอยู่กับทางโลกแบบรู้และเข้าใจทุกแล้วก็แบบเพื่อที่จะดับไปดับชีพชาตินี้ไปอย่างแบบว่าให้สงบที่สุดอะค่ะแต่ว่าหนูเหมือนกับได้แนวทางแล้วอย่างเงี้ยค่ะครูอาจารย์หนูคิดผิดไงถ้าหนูคิดว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหนูก็ ไม่ต้องไปวางแผนอ่ะค่ะที น, นมันไม่คิดแต่สมันก็เลยมันก็เลยลืมมันก็เลยดอกให้เราไปวางแผนวางแผนทําอะไรวางแผนได้รับความแก่ความเจ็บนะอาจารย์หนูมาอยู่กับอาจารย์ด้วยได้ไหมมาอยู่กับเราที่นี่สงบกว่าหนูชอบอ่ะมันดี่สําหรับผู้ชายสําหรับพระอยู่ ไม่ใช่บนนี้ค่ะหมายถึงแ ต, แต่แต่ไม่เป็นไรค่ะตามสะดวกของพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูจะขอโอกาสพระอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หนึ่งที่เป็นองค์สําคัญนะคะกําลังป่วยหนักอยู่แล้วก็ลูกศิษย์อะค่ะก็กําลังใจสั่นคลอนกันมากเลยเพราะว่ามีความมีความรักมีความผูกพันในพ่อแม่ครูอาจารย์องค์นี้นะค่ะก็อยากจะขอพระอาจารย์ให้ธรรมะถึง คนที่เป็นทุกข์อยู่ที่ครูบาอาจารย์กำลังป่วยหนักอยู่ตอนนี้ที่กำลังพิจารณาธาตุขันค่ะก็พรไม่เคยพิจารณาล่วงหน้าไว้ก่อนเนยว่าทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะสร้างที่พึ่งให้ให้กับตนเองอย่างคิดว่าพึ่งคนอื่นได้อยู่พึ่งอาจารย์ได้อยู่พออาจารย์จะตายขึ้นมาทีนี้ก็เดือดร้อน น, นตาอาจารย์ตายแล้วเราจะไปพึ่งใคร ถ้าเราไม่ประมาทเรารีบสร้างที่พึ่งให้กับเราเองสร้างที่พึ่งในใจเราปฏิบัติสร้างธรรมะสร้างความสงบให้กับใจพอใจสงบเราก็มีที่พึ่งคนอื่นจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเราก็จะไม่หวั่นไหวเพรั้นตอนนี้ มีบทเรียนเนี่ยว่าครูบาอาจารย์ท่าน จ, จากออกไปแล้วแต่เดี๋ยวบางทีก็ลืมพอครูอาจารย์ตรงนี้ตายไปก็ไปหาอาจารย์องค์ใหม่แล้วก็ไปเกาะอาจารย์องค์ใหม่แล้วก็ไม่ปคิดว่าไปเกาะอาจารย์เพื่ออะไรความจริงการไปมีอาจารย์ก็เพื่อจะได้ไปศึกษาคําสอนของท่านท่านก็สอนให้เราปฏิบัติ สอนนั้นเราสร้างที่พึ่งให้กับตัวเราเองเพราะอาจารย์ก็เดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายตั้งแต่องค์แรกคือพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องแก่เจ็บตายท่านก็สอนให้เราปฏิบัติสร้างที่พึ่งสร้างมรรคขึ้นมาสร้างสติสร้างปัญญาถ้าเรามีที่พึ่งมีสติมีปัญญาใจเราจะ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเมื่อไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเวลาพู่นเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรายังพึ่งตัวเราไม่ได้เราหัวแต่ไปพึ่งผู้อื่นที่ที่เขาจะต้องมีวันจากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็หวั่นไหวพอเราจะไม่มีที่พึ่ง เราหวั่นไหวเพราะเรากลัวว่าต่อไปท่านไปแล้วเราจะไม่มีที่พึ่งนี่แหลนี่คือความประมาทของโลกสิทธิโลกหาที่เข้าหาครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้เข้าหาเพื่อปฏิบัติก็าหาเพื่อเกาะท่านได้ยินได้ฟังธรรมของท่านตอนนั้นก็เหมือนกับมีธรรมฟังธรรมแล้วใจก็มีความสุขมีรู้สึกว่ามีปัญญา แต่มันเป็นความปัญญาแบบชั่วคราวเวลาฟังก็เข้าใจพอหยุดฟังก็หายไปลืมไปพอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบใจก็หวั่นไหวขึ้นมาเพราะว่าปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมนี่มันมันเสื่อมได้ฟังแล้วเดี๋ยวก็ลืมเพราะนั้นต้องเอาต้องเอาปัญญาที่เราฟังนี่มา พิจารณาอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆว่าอนิจจาไม่เที่ยงของต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงครูบาอาจารย์ที่เราพึ่งพาใสายท่านก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวท่านก็ต้องจากเราไปร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเราต้องมาสร้างธรรมที่เที่ยง ถ้ามีธรรมแล้วเราจะอาศัยธรรมนี้เป็นที่พึ่งปกป้องรักษาใจของเราได้ธรรมที่เราต้องมีก็คือสมาธิกับปัญญาที่เราไม่มีกันถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาแล้วใจของเราจะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดอะไรจะดับในใจเราไม่เดือดร้อน พอใจเรามีที่พึ่งมีความสุขในตัวเองไม่ต้องหาความสุขจากผู้อื่นไม่ต้องหาความสุขจากการไปฟังเทศฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปหาความสุขจากการไปทาบุญกับครูบาอาจารย์เราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองด้วยธรรมของเราเหมือนกับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนเมื่อก่อนท่านก็อยู่ของท่านไม่มีที่พึ่งท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์นะครับไปแล้วท่านก็ไปศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่เพียงแต่ไปอยู่แล้วก็ไปฟังแต่ไม่ไม่สร้างที่พึ่งขึ้นมาการฟังนี้เป็นเพียงส่วนส่วนแรกต้องฟังเพื่อให้รู้ว่าเราต้อง ทำอย่างไรเพื่อให้เราเป็นที่พึ่งของเราเองแตถ้าฟังแล้วเราไม่ไปปฏิบัติการจะเป็นที่พึ่งของเรานี่เราต้องนั่งสมาธิได้เราต้องมีปัญญาเห็นใจรักเห็น อ, อริยสัจสี่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรไม่มีความหวั่นไหวกับอะไร พอสมาธิกับปัญญาจะรักษาใจของเราให้ดิ่งให้สงบให้ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้นี่คือสิ่งที่เราขาดขาดสมาธิขาดปัญญาปัญญาที่ไม่ลืมตอนนี้เรามีปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ลืม ฟังก็จาฟังก็เข้าใจเดี๋ยวสักพักก็ลืมหายไปถูกกิเลสมาหลอกให้ไปหลงช อ, หชอบนู่นชอบนี่ต่อไปแต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะไม่หลงถ้าปัญญาที่แท้จริงมันจะไม่หลงกิเลสจะมาหลอกให้ไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ไปพอมันเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้พึ่งได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเพิ่งได้ชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปก็วุ่นวายต้องไปหาใหม่กันหามาเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นัถ้ามีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวเพิ่งได้ไม่นาน ก็ไม่ไปพึ่งมันดีกว่าสิ่งที่เราพึ่งได้ตลอดถาวรนก็คือความสงบคือสมาธิกลับมาสมาธิดีกว่าเวลาจะไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีปัญญาก็บอกว่าไม่ไปดีกว่ามาพึ่งความสงบดีกว่าแล้วความสงบนี้เราสามารถพึ่งได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักวิธีทำความสงบแล้วใจของเราก็จะสงบไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาไม่สงบก็ทำให้มันสงบได้สิ่งที่เราขาดกันส่วนใหญ่ที่ไปหาครูบาอาจารย์ก็คือไปฟังแล้วก็ไปทำบุญทาทานแล้วก็ไปถือศีลกันแต่พอให้มาฝึกนั่งสมาธิกันนี่ทำไม่ได้ ใจชอบคิดไม่เคยหยุดคิดเพรามไม่ฝึกสติเพราฝึกสติมันต้องฝึกทั้งตลอดเวลาต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธตลอดเวลามันขี้เกียจไม่ยอมพุโทโธกันพุโทโธได้สองสามคำก็ปล่อยให้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ละเวาลานั่งสมาธิมันก็เลย ไม่สงบหรือสงบยากสงบก็ยังสงบไม่มากสงบได้เดี๋ยวเดียวสงบแบบผิวเผินสงบแบบไม่ฟุ้งแต่ที่จะให้มันรวมให้มันนิ่งเป็นหนึ่งนี่มันยังทำไม่ได้มันก็เลย <c oughs> ไม่อยากทำทำแล้วมันรู้สึกอึดอัดเวลาจะให้นั่งสมาธินี่มันรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ไม่เหมือนเวลานั่งดูหนังมันไม่อึดอัดนั่งดูหนังนี่มันนั่งดูได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งสมาธิเพียงสิบห้านาทีก็แล้เอึดอัดแล้วเพราะใจมันชอบคิดชอบดูชอบฟังพอไม่ให้มันดูแม่มันฟังแม่มันคิดมันก็อึดอัดอแต่ถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ต่อไปถ้ามันยอ ม, อม ความอยากดูอยากฟังอยากคิดนี่มันหยุดไปเนี่ใจก็จะเบาจะสบายจะอยู่เฉยๆได้จะไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับตนมีความสุขในในตัวเองพอมีความสุขในตัวเองก็เลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้เลิกเลิกพึ่งคนนั้นคนนี้เลิกพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ยังถ้าเราไม่ทำใจให้สงบนี่เราก็ยังจะต้องพึ่งสิ่งต่างๆต่อไปอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาอยู่เฉยๆมันงดเย็ดมันต้องมีอะไรดูมีอะไรฟังนะต้องมีมือถือกันไหมเนี่ยถ้าเกิดมือถือเสียเป็นยังไงงดเย็ดไหมทำไมมเวลางดเย็ดมีมือถือก็ยังเปิดดูนู่นดูนี่คุยคนนั้นคุยคนนี้ได้มีอะไรให้ทำ พอไม่มีมือถือนี่ก็หมดเกลดละนี่เป็นเพราะว่าใจเราไม่สงบเมื่อใจไม่สงบเลยไม่มีความสุขในตัวเองก็ <c oughs> เลยต้องไปหาความสุขข้างนอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ <c oughs> แต่หามาได้เท่าไหร่มันก็หมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนควันไฟ <c oughs> ไปเที่ยวกลับมามันก็หายละ เวลาไปเที่ยวก็สนุกสนานเฮฮากัน hey พอเวลากลับบ้านนี้ความสุขนั้นก็หายพอเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ต้องอยากจะไปละอยู่อยู่บ้านก็อยู่เพียงแค่พักผ่อนนั้นเองเพราะมันเหนื่อยมันหมดแรงพอมันตื่นขึ้นมามันมีแรงแล้วมันก็ไม่ยอมอยู่บ้านนะมันก็อยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปหาลูกเสียงกลิ่นรสอีกเนี่ยเราก็ทําอย่างนี้เรื่อยๆ บ้นเป็นเพียงที่หลับที่นอนเท่านั้นที่พักผ่อนแต่ไม่ไม่ใช่เป็นที่หาความสุขพอพอได้พักผ่อนหลับนอนมีกำลังแล้วทีนี้ก็อยากจะออกไปหาความสุขนอกบ้านกันทำอย่างนี้มาตลอดแล้วมันจะต้องเจอมันจะต้องสะดุดวันใดวันหนึ่งร่างกายไม่สบายไปไม่ได้เงินหมดเงินไม่พอใช้ ไปไม่ได้ตอนนั้นมันก็จะทุกข์แล้ ว, ลวพยายามพิจารณาให้เห็นโทษของการที่เราไม่สามารถพึ่งตัวเราเองได้ไม่สามารถสร้างความสุขในตัวของเราได้ทำให้เราต้องไปอาศัยความสุขภายนอกที่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้ว บางอย่างก็อยู่กับเราไปสักพักอยู่ยาวหน่อยถ้าเป็นคนเป็นของนี่ก็อยู่กับเรานานหน่อยแต่ถ้าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมาป๊อบก็ไปละดูหนังเสร็จดูหนังเสร็จฟังเพลงเสร็จมันก็หมดไปละแต่ถ้าเป็นคนก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆก่อนแต่ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องไปอีกละไม่จากเป็นก็จากตายวัต้องจากกัน พอจากกันที่นี้ก็หนาอีกแล้วเศร้าอีกแล้วงั้นอย่าเอาเวลาของเรานี้เอาเวลาของเรามาทับความสงบกันดีกว่ามาฝึกสติกันมาคอยควบคุมความคิดกันพุทโธพุทโธถ้าเราไม่มีสตินี่เราจะหยุดความคิดไม่ได้ถ้าหยุดความคิดไม่ได้จิตก็จะไม่นิ่งไม่สงบ ถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบก็จะไม่มีความสุขเพราะความสุขของใจอยู่ที่ความนิ่งความสงบนี่เองถ้าไม่นิ่งมันก็อยากมันก็อยากพออยากแล้วมันก็ร้อนขึ้นมาใจร้อนใจลราหงุดหีิดลำคาลต้องไปทำตามความอยากถึงจะหายร้อนหายหงุดหงิดแต่ก็หายชั่วคราวตอนที่ได้ไปทาได้ทาสิ่งที่เราอยากทําก็หายหงุดหงิด อยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็หายหงุดหงิดแต่พอกลับมาบ้านเดี๋ยวความอยากไปเที่ยวก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็หงวดหงิดเศร้าส้อยง้อยเหงาอยู่บ้านไม่มีความสุขต้องออกไปข้างนอกแต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมความคิดได้ไม่ให้มันไปคิดถึงเรื่องเที่ยวได้มันก็ไม่มีความอยากเที่ยว มันก็อยู่บ้านได้แล้วถ้าให้แล้วถ้าไม่มีอะไรจะต้องทําก็นั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมความคิดต่อไปไม่ให้มันคิดเลยถ้ามันหยุดคิดมันนิ่งเต็มที่มันก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่เลิศกว่าวิเศษกว่าความสุขที่ได้จากการไปทําอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าบอกไม่มีความสุขอันใดเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ นัตติสันติปรังสุขขังความสุขนี้เป็นความสุขที่เลิศ ก, กว่าที่เราสามารถที่จะมีเก็บไว้กับเราได้ตลอดความสุขนี้ถ้าเราชำนาญถ้าเราสร้างมันชำนาญแล้วต่อไปเราก็จะมีความสุขนี้ได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่เหมือนความสุขจากละ สิ่งต่างๆซึ่งบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีอยากจะได้ก็ไม่ได้บางทีชวนเพื่อนไปเที่ยวเขาก็ไม่ว่างไปไม่ได้เดี๋เขาไม่สบายเี๋เขามีงานทำชวนเข้าไปเขาก็บอกไปไม่ได้ไปคนเดียวก็เหงาไม่สนุกเนี่ยมันสิ่งถ้าเราอาศัยสิ่งต่างๆแล้วมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ ได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่ถาวรสู้ความสงบนี้ไม่ได้ถ้าเราทําได้ครั้งหนึ่งแล้วเราจะทําไปได้เรื่อยๆทุกครั้งต้องการสงบเมื่อไหร่เราก็สงบได้ต้องการมีความสุขเมื่อไหร่ก็เพียงหลับตาแล้วก็เพ่งดูลมหายใจแค่นั้นเองห้านาทีเจ็ดก็สงบสบายดีกว่าไปสูบฝิ่นดีกว่าไปกินยาบ้ายาอะไร มันก็เป็นวิธีหาความสุขเหมือนกันความสงบนี้ก็เป็นเหมือนยาบ้าเหมือนยาผิ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่มีโทษมันไม่มีอันตรายต่อจิตใจหรือต่อร่างกายแต่ของอย่างอื่นนี่มันมีเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจยาเสพติดถ้าเสพมันก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็เป็นอันตรายต่อจิตใจ พอเวลามันหมดฤทธิ์นี่มันจะทําให้เกิดความทรมานใจ ย, ยังอยากเสพยังอยากสัมผัสกับฤทธิ์ของยาเสพติดพอฤทธิ์ยาหมดมันก็เลยทรมานก็ต้องหามาเสพหามาเสพถ้าเสพมากๆเดี๋ยวร่างกายก็เจ็บไายได้ป่วยหรือถ้าหาไม่ได้ก็ต้องทุกทรมานอนี่ก็คือ กเปรียบเทียบความสุขสองแบบความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่เกิดจากสิ่งต่างๆไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมีเงินก็มีได้นั่งเพียงแต่มีสติคอยกำกับใจควบคุมใจไม่ให้คิดเท่านั้นเองให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ได้อย่างต่อเนื่องแล้วจิตมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนั่งหลับตาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแค่นั้นเองอ่ะแล้วถ้าไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันก็สงบสงบแล้วก็มีความสุขสุขกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองนอกนี้กว่าจะไปได้ไปทีก็ ต้องเตรียมตัวเตรียมเรื่องราววุ่นวายเตรียมที่พักเตรียมโรงแรมเตรียมตัว๋วเตรียมวีซ่าเตรียมอะไร<อ>กว่าจะได้ไปเวลาเดินทางไปก็เหนื่อยกว่าจะไปถึงที่ก็ไปถึงที่ก็อยากจะไปพักแล้วเหนื่อยเข้าโรงแรมพักก่อนอแล้วก็ไปดูไปเที่ยวอะไรปั๊บเดี๋ยวก็กลับบ้านนะกลับมาก็หมดไปละ ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนเดิมเหนื่อยแสนเหนื่อยเอถ้านั่งสมาธิเป็นโอ้ยอยากไปอยากจะมีความสุขปั๊บก็ได้ปุ๊บเลยนั่งหลับตาปุ๊บเดียวห้านาทีก็สุขละสบายสงบมีความสุข เนี่ยเราควรที่จะมาหาความสุขทา ง, งจากความสงบดีกว่าทุ่มเทชีวิตจิตใจเวลาให้กับการฝึกสตินี้ดีกว่ามันฝึกสติมันคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดแค่นั้นเองถ้าถ้าอยากจะใช้คำบริกรรมว่าอยากคิดอย่าคิดก็ได้ถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ใช้อย่าคิดก็ได้ อราอยากคิดมันอาจะดีมันจะเตือนเราว่าไม่คิดถ้าพุดโธพุดโธไปมันที่ยังเผลอคิดได้ถ้าบอกอยากคิดอยากคิดนี้มันก็รู้ว่ากูคิดไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วลองเปลี่ยนคําบริกรรมดูก็ได้นถ้าพุดโธพุดโธแล้วยังไปคิดอยู่ลองใช้คิดอย่ลองใช้คําว่าอยากคิดอยากคิดดูสิหรือไม่คิดไม่คิดไม่คิดไม่คิดเอออลองทําอย่างนั้นดู ถ้าคิดก็แสดงว่ากำลังไม่ได้บริกรรมนะไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมนะทำนี้ไปเถอดเดี๋ยวไม่นานอนะ่ะห้านาทีสิบนาทีจิตก็เนิ่งจิตก็จะสงบ <S 2> <S 2> <S แล้วก็จะมีความสุข <S 2> <S 2> <S พอสงบครั้งเดียวได้แล้วทีนี้ก็ทำได้ทุกครั้งนะเหมือนขี่จักรยา น, นะตนตอนต้นได้ยังขี่ไม่ได้มันก็ยังล้มอยู่นั่น แต่พอขี่ได้ปั๊บล้ทีนี้มันมั่นใจละขี่ได้ทุกครั้งนะเหมือนหัดขี่จักรยานการทําใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับการหัดขี่จักรยานหัดพิมดีดนี่คือของที่เราไม่เคยทำแล้วก็ต้องหัดใช่มไหมพิมดีดนี่เราก็ต้องหัดจิ้มจิ้มจิ้มไปเรืเ่อยๆทีละนิ้วทีละนิ้ ว, วเคยหัดเคยเรียนพิมพ์ดีไหมกอไก่กดกดก ด, กดมันไปเรือออ่อยๆงอๆอะไ้กดมันไปเพื่อให้มันจําได้ ต่อพอจําได้ทีนี้ก็สบายแะ้วพิมพ์ได้อยากจะพิมพ์อะไรก็กดได้ขับรถก็เหมือนกันตอนขับรถใหม่ๆขับได้ปะขับไม่ได้ไหนจะพวงมาลัยไหนจะเบรกไหนจะคันเร่งไหนจะน้ํามันไหนจะเกียร์โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่หไหมแต่ก็ค่อยหัดทําไปทีละทีละนิดทีละหน่อยทำไปเรื่อยๆทําไปเดี๋ยวเดียวต่อไปมันก็ชํานาญพอชํานาญแล้ ว, นนลวทีนี้พอกระโดดขึ้นรถปั๊บนี่ ไม่ต้องคิดเลยเนียมันอัตโนมัติแอตาลรถปั๊บเหยียบถอยเข้าเกียร์วิ่งไปละไปได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็เหมือนหัดขับรถเนี่ยขับใจเนี่ยใจเราเป็นใจเรามันเป็นรถที่ไม่ชอบจอดเท่านั้นอ่ะปัญหาใจเราชอบคิดนี่เราต้องมาหัดจอดเราขับเป็นแต่เราจอดไม่เป็น ไปถึงที่แล้วก็จอดไม่ได้เพราะมันเลยมันไม่ยอมหยุดอยากจะไปไหนพอไปถึงแล้วมันไม่หยุดนี่นเราต้องมาหัดหัดจอดรถหัดหัดจอดใจวิธีจอดใจก็ต้องเหมือนกับรถเนะี่ยรถก็ต้องใช้เบรกเวลาจะหยุดรถมันก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกมันก็รถมันก็ไม่จอดใจของพวกเราตอนนี้เหมือนกับไม่เหมือนกับรถไม่มีเบรกไม่ยอมหยุดคิดบอกให้มันหยุดคิดมันก็ไม่หยุดคิด เราเลยต้องมาติดเบร b เบร k ของใจเราเรียกว่าสติตอนนี้เรามีสติแต่มันมีน้อยมีพอที่จะรู้ว่าเรากำลังทําอะไรทาผิดทำถูกแต่เวลามันจะทำอะไรอยากมากๆเราสู้มันไม่ได้เวลามันอยากจะทำอะไรมากๆนี่เราถึงแม้เราจะรู้ว่าไม่ดีมันก็หยุดมไม่ได้เพราะเรามีสติมีกำลังไม่พอที่จะไปหยุดมัน เราต้องมาฝึกสติมาสร้างสติมามาเสริมเบรกเบรกมีตอนนี้แต่เบรกเบรกไม่ไม่ดีเหยียบแล้วมันไม่หยุดทันทีเหยียบแล้วมันไปหยุดนูน่นอีกร้อยเมตรมันถึงจะหยุดเดี๋ยวไปชนคันอื่นก่อนแล้วมันถึงจะหยุดแสดงว่าเบรกไม่ดีถ้าเหยียบปับ๊บมันต้องหยุดปุ๊บยอะไรเงี้ยถึงจะเรียกว่าเบรกดีพอถ้า ม, มีสติ จ, จริงๆพอรู้ว่าคิดก็หยุดได้ทันทีเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องพุโทโธดูความคิดได้เลยพวกที่มีสติเต็มที่แล้วดูว่าคิดหรือเปล่าถ้าคิดก็ปับ๊บพอรู้ว่าพอรู้ว่าคิดก็หยุดปั๊บเลยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตได้จะดูจิตได้จริงๆต้องมีสติดูความคิดแต่ถ้าไม่มีสติอย่าไปดูดูมันแล้วก็รู้ว่ามันคิดแต่ก็หยุดมันไม่ได้อย่างนั้นต้องมาสร้างสร้างเบรกกันวิธีสร้างเบรกก็ให้บริกรรม คำใดคำหนึ่งเช่นคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นการสร้างสติขึ้นมาพอเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือคิดก็ยากเพราะใจเราไปคิดทีเดียวสองอย่างพร้อมกันไม่ได้จะคิดพุทโธแล้วจะคิดคิดกินกินขนมนี่มันคิดพร้อมกันไม่ได้ะเห็นถ้าเราพุทโธถ้าเคยคิดอยู่กำลังคิดกินขนมกินขนมแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคิดสิ เป็นเรื่องพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเรื่องกินขนมก็ลืมไปหายไปอ๋อไม่ได้คิดถึงเรื่องกินขนมความอยากกินขนมมันก็หายไปก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปกินขนมลดความอ้วนไดนะ้คนที่อยากจะลดความอ้วนก็ค่อยมาควบคุมความคิดเนี่ยความคิดอยากจะกินนู่นกินนะี่พอมันอยากจะกินนู่นกินนี่ก็พุทโธพุทโธไปหรือท่องคำว่าอยากกินอยากกินก็นะ อยากกินอยากกินแล้ว อ, อ้วนอ้วนอ้วนอ้ว น, นมันจะได้เออจะได้หยุดคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะกินพอเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราอยากจะกินความาอยากมันก็หายไปความรู้สึกหนุดหิดทรมานใจจากการอยากกิ น, กนมันก็หายไปก็ไม่ต้องไปกินเนี่ยการมีสติสำคัญมากเพราะสตินี้จะหยุดใจเราได้ถ้าใจเราหยุดแล้วใจเราจะมีความสุข จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากความสุขที่ได้จากําทำตามความอยากก็เป็นสุขเดียวเดียวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปขอให้เรามาเห็นความสำคัญของการฝึกสติซึ่งเราสามารถฝึกกันได้ทุกคนทุกแห่งทุกเวลายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราไม่สามารถฝึกสติได้ตอนหลับนี้หมดสติ สติหยุดทำงานชั่วคราวแต่พอตื่นขึ้นมาลืมตาปั๊บเริ่มเริ่มฝึกสติไปเลยอย่าปล่อยให้คิดนอกจากเรื่องจำเป็นต้องคิดแต่ก็คิดไม่มากอ่ะถ้าเรื่องจำเป็นจริงๆเช่นตื่นขึ้นมาก็ดูว่าวันนี้กี่โมงและวันอะไรต้องทำอะไรพอรู้ปับ๊บกทีนี้ก็ไปเตรียมตัวเช่นพอวันจันทร์ตื่นขึ้นมาโอ้ยถึงเวลาต้องไปทางาน รู้ว่าต้องไปทำงานก็ไปแต่งตัวไปอาบน้าอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันช่วงที่ไปเตรียมตัวนี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรตอนนั้นมันจะคิดก็อย่าให้มันคิดให้มันพุทโทพุโทโธไปหรือบังคับให้มันอยู่กับการการเตรียมตัวกำลังแปรงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปรงฟันอย่างเดียวบางทีแปรงฟันไปยังไม่รู้แปรงครบหรือเปล่าเพราะแปรงไปก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ทำอะไรถ้าไม่มีสติอยู่กับงานที่เราทำบางที่ทําแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกเนี่ยเพราะใจเราโม่แต่ไปคิดเรื่องนู่นเรื่อ ง, องนี้แทนเะฉะนั้นเราอย่าไปปล่อยให้มันคิดมาควบคุมมาให้มันเฝ้าดูการกระทําของเราแล้วการกระทําของเราจะได้ครบถ้วนไม่ผิดพลาดนแล้วจะได้สติด้วยได้สองอย่างถ้าเราเฝ้าดูการทํางานของเราเกิดงานที่เราทําจะไม่ผิดพลาด งานที่มันผิดพลาดส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราไปคิดเรื่องอื่นพอคิดเรื่องอื่นงานที่เรากําลังทําอยู่บางทีทําไม่ถูกทําไม่ครบเอามือแต่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังเวลาเตรียมตัวที่จะไปทํางานไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยก็อย่าไปคิดมันคิดก็ใช้พุทโธหยุดมันก็ได้หรือใช้คําบริกรรมอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดไม่คิดไม่คิดไม่คิด พูดโทพูดโทพูดโทไปเฝ้าดูงานที่เรากําลังทําอยู่กำลังล้างหน้าก็ล้างหน้าไปกำลังแปรงฟันก็แปลงฟันไปอาบน้ําก็อาบน้ําไปหวีผ้าหวีผมก็หวีไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปอย่าไปคิดเรื่องอะไรมมันไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดตอนนั้นคิดแล้วมันทําให้ใจเราแตกใจเรา วุ่นวายบางทีไปคิดถึงปัญหาต่า ง, ๆ ท, างๆทั้งๆที่เรายังไม่ไปเจอมันเลยแต่ใจเราวุ่นวายไปก่อนแลนะคิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่สบายใจนะควบคุมความคิดได้แล้วสบายใจไว้ให้เจอกันก่อนแล้วค่อยไปไม่สบายใจตอนนี้ยังไม่เจอไปไม่สบายใจก็ให้มันขาดทุนทำไมเห็นไหมถึงเวลาจะเจออะไรก็ให้มันเจอเจอแล้วถ้ามีสติก็ เฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรเจอก็เฉยๆไปอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ยอมรับกับสภาพไปอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ถ้าตายแล้วมันก็จบยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเพระฉะั้นถ้าเราไม่กลัวความตายแล้วเราจะไม่กลัวกับปัญหาต่างๆไม่กลัวกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรายอมตายได้แล้ว อะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมันจะเร็วกว่าความตายคิดถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้พอคิดแล้ววิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกอย่างมากก็แค่ตายวะเห็นเวลามันก็ต้องตายถ้ามันยังไม่ถึงเวลาตายก็ไม่ตายจะเสียอะไรก็เสียไปเวลาเกิดมาก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเวลาตายไปก็ไม่มีอะไรติดตัวไป จะไปห่วงอะไรไปห่วงอะไรทำไมคิดอย่างนี้มันปัญหาต่างๆก็จบปัญหาที่เกิดส่วนใหญ่ก็คือมีอะไรแล้วไม่อยากเสียแล้วไม่มีอะไรก็อยากได้พอไม่พอไม่ได้ก็วุ่นวายใจพอมีอะไรที่ต้องเสียก็วุ่นวายใจแต่ถ้ามาคิดว่าเวลามาก็ไม่มีอะไรมาตอนที่มาก็ไม่วุ่นวายใจตอนที่เกิดมาจากท้องแม่ไม่นุ่นวายใจกับอะไรเลย แล้วเวลาตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วจะไปวุ่นวายไปกลับอะไรได้มาเดี๋ยวตายไปก็เอาไปไม่ได้มีตอนนี้ถ้ามันจะเสียก็เสียไปเพราะเดี๋ยวเวลาไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเนี่ยคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้ใจเราไม่วุ่นวายกลับมาพุโทโธพุโทโธได้แล้วเราจะได้เตือนใจว่า เนี่ยที่เราวุ่นวายก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขในตัวเราเองเราเลยต้องไปวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไม่มีความสุขเราคิดว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขก็วุ่นวายเวลาไม่ได้ขึ้นมาก็เสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเวลามันจะไปก็เสียใจกลัวมันจะไปก็วุ่นวายใจอีกให้เราพิจารณางี้แล้วเราจะเห็นโทษของ การที่เราจะต้องไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็ไม่สามารถเก็บมันไว้กับเราไปได้ตลอดเดี๋ยวเวลาเราไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้อยู่ดีมาตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆที่วุ่นวายก็เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเรางั้นเรามาสร้างความสุขในตัวเราดีกว่า มาฝึกสติมาหยุดคิดดีกว่ามันก็กลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่ตรงอยากคิดอยากคิดอยากคิดคิดแล้วก็วุ่นวายแต่ถ้าคิดด้วยปัญญาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดได้ถ้ามันคิดแล้วถ้าเราใช้ปัญญาคิดตอบโต้มันเดี๋ยวมันก็กลับมาหยุดคิดได้กลับมาทํางานที่เรากําลังทําอยู่ได้พอเรามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิเราก็จะหยุดคิดได้อย่างเต็มที่ พอหยุดคิดได้จิตนิ่งที่เบาสบายมีความสุขไม่ต้องไปกินขนมไม่ต้องไปดื่มกาแฟถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าก็ได้ถ้ากินก็ต้องรอให้เวลากินไม่กินพร่อเพื่อกินเพื่อเลี้ยงร่างกายไม่ได้กินเพื่อหาความสุขจากการกินเพราะมีความสุขที่ดีกว่าคือการทำใจให้สงบถ้าอยากจะมีความสุขจากการกินก็มาทาสมาธิดีกว่า ถ้ากินเพื่อร่างกายก็กินได้เพราะต้องเลี้ยงร่างกายเลี้ยงร่างกายก็กินตามเวลาเหมือนกินยาวันละกี่ครั้งก็ว่าไปเท่า น, นี้ก็จบเ ร, เราจะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องไปพึ่งใครอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขนี่ก็คือเรื่องของการ ฝึกสติเพื่อสร้างความสุขในใจสร้างที่พึ่งในใจของเราถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์ไม่ต้องไปพึ่งพ่อแม่ไม่ต้องไปพึ่งสามีภรรยาไม่ต้องไปพึ่งลูกพวกเราเนี่ยพึ่งไปหมดใช่ไหมตอนเด็กก็พึ่งพ่อแม่พอโตขึ้นมาก็พึ่งสามีพึ่งภรรยาพอแก่ก็ยังหวังจะพึ่งลูกอีกพึ่งไปตลอดทาไมไม่หัดพึ่งตัวเอง ตัวเองเป็นของวิเศษที่สุดกับไม่พึ่งของที่แน่นอนถาวรที่อยู่กับเราไปตลอดก็คือ be ตัวเรานี้กับไม่พึ่งไอ้พึ่งของที่มันไม่แน่นอนไม่ถาวรพอพึ่งไม่ได้ก็เสียใจใช่ไหมพอพึ่งสามีไม่ได้ก็เสียใจพึ่งภรรยาไม่ได้ก็เสียใจพอแก่เวลาพึ่งลูกไม่ได้ก็เสียใจทำไมไม่พึ่งตัวเองตัวตัวเองนี่พึ่งได้ตัวเองนี่ก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็พึ่งไม่ได้ะ ร่างกายเดียวมันก็ต้องแก่เจ็บตายพึ่งได้เท่าที่พึ่งพึ่งได้ก็พึ่งไปแต่พึ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องพึ่งมันก็ได้สิ่งที่เราต้องพึ่งก็คือธรรมะความสงบแล้วเรามีธรรมะแล้วเราจะสร้างความสงบขึ้นมาในใจใจเรานี่แหละคือตัวเราที่แท้จริงตัวเราอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายเราก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายเวลามันแก่รู้สึกไงสบายใจไห เวลามันเจ็บปวดมันไม่สบายนี่สบายใจไหมเวลารู้ว่าจะต้องตายนี่มันสบายใจไหมเนี่ ย, ยถ้าไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าเรามีที่พึ่งทางใจมีที่พึ่งในใจเราเองเรา ม, ม, ม, ม, ม, ม, มีไม่เดือดร้อนตายก็ตายสิรู้อยู่แล้วมันต้องตายพิจารณามาตั้งแต่เกิดแล้วว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเกิดแก่ความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เรามีที่พึ่งคือความสงบมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นความสุขนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้แหละคือที่พึ่งที่วิเศษที่สุดนอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยตอนเป็นที่พึ่งของตอนก็คือเนี่ยให้พึ่งอันนี้พึ่งธรรมะพึ่งสติ้งพึ่งสมาธิพึ่งปัญญา มีสติก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็สามารถฝึกปัญญาให้เป็นปัญญาที่เป็นปัญญาที่ถาวรได้ปัญญาที่ไม่หลงไม่ลืมปัญญาที่จะระ ง, งับความวุ่นวายใจต่างๆได้หมดนแล้วเราก็จะปลอดภัยจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่างถาวรเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลาย ท่านดูดพน้นตรงนี้แนะหะดูดพน้นตรงใจนี่ตรงที่ตรงความสงบเนี่ยท่านสร้างความสงบแล้วก็ท่านสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อสอนใจไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปพึ่งอะไรให้พึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วท่านก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปเพราะมีร่างกายเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีกี่ร่างกลับมาเกิดกี่ครั้งมันก็ต้องแก่เจ็บตายทุกครั้งไปน นันอยู่แบบไม่มีร่างกายดียวกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังอยู่เพียงแต่ท่านไม่สามารถติดต่อกับเราได้เพราะท่านไม่มีร่างกายที่จะมาติดต่อกันท่านนั่นเองพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพที่จากเราไปท่านก็ยังอยู่ใจของท่านไม่ได้หายไปไหนใจของท่านขี้เกียจไปมีร่างกายท่านั้นเองมีแล้วทุกข์ไปมีมันทาไม เหมือนคนที่เลิกใช้มือถือนะฮะเพอไม่มีมือถือเราก็ติดต่อเขาไม่ได้นะจะโทรไปหาเขาก็โทรไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่มีมือถือให้เราติดต่อด้วยก็เท่านั้นเองร่างกายเป็นเหมือนมือถือสับของใจใจใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือติดต่อกับร่างกายของคนอื่นเนี่ยตอนนี้เราใช้ร่างกายนี้คุยกับญาติโยมญาติโยมก็ใช้ร่างกายฟังเสียงเราถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถฟังเสียงเราได้ ถ้าเราไม่มีร่างกายก็ไม่สามารถพูดได้ก็เท่านั้นเองแต่คนที่สั่งให้ร่างกายพูดคนที่รับเสียงรับรู้เสียงไม่ได้ตายไปกับร่างกายย้งอยู่ต่อไปจะอยู่แบบไหนอยู่แบบไปเกิดใหม่หรืออยู่แบบไม่เกิดใหม่ถ้ามีความสุขในตัวเองก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ถ้าไม่มีความสุขในตัวเองก็ยังต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อ mm hmm. ก็มีแค่สองทางนี้เท่านั้นแหะ ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็มีความสุขในใจท่านก็เลยไม่ต้องไปมีร่างกายพวกเรายังไม่มีความสุขในใจก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายต้องไปมีร่างกายอมีแล้วก็ต้องมาวุ่นวายกับมันต้องมาเลี้ยงมันต้องมาดูแลมันแล้วก็ต้องมาเจ็บมาแก่มาตายไปกับมันไม่มีวันสิ้นสุดยนันมาสร้างที่พึ่งให้ในตัวเราให้สร้างตัวเราให้เป็นที่พึ่งของเราดีกว่า อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นพึ่งได้ก็อาศัยให้เขาสอนวิธีสร้างที่พึ่งที่เราไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ท่านสอนเราวิธีสร้างที่พึ่งในตัวเราว่าสร้างอย่างไรพึ่งได้แค่นี้แหละแต่เจ้าทาให้จะหวังไปพึ่งให้ท่านให้ความสุขกับเราไปตลอดนี่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวท่านก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากท่านไปแต่ถ้าเรามีที่พึ่งในใจแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอด เราจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนั้นก่อให้เรามาฝึกสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญากันแล้วเราจะมีที่พึ่งที่เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งใครอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียมเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอ an ุปการปติอิช um ิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยะถามณิโจติ ภราสุยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโลกวินสศตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริตสะนิจังวุทฒาปจายิโนจตารโหธรมมวัานติอายุวโนสุขัง ไม่ยอมสร้างที่พึ่งของตัวเองเนี่ยอาจารย์นดูแล้วหไม่นานอ่ไม่นานแล้วเหทีนี้เข้าใจแล้วเหรอเมื่อกี้ถูกเกเรตหลอกให้ไปเตรียมตัวเตรียมให้วุ่นวายไปหมดเลยให้อาจารย์ชดเชมนี่คนเดียวครับคุณอา ก็อย่างนี้แหละทีนี้ทุกวันก็คล้ายๆกันนี้ในเดือนอนรวมตีนเร็วนะปุ๊บปั๊บเวลาเร็วมากเลยเวลาเหมือนอย่างเหมือนงูงูเกินกินพออกสอนแล้วพิงูกินเหยื่อมันทานไปช้าแต่พอเผลอแป๊บเดียวอ้าวเหยื่อหมดไปแล้วอย่าเบานะหนังเสือซีดีหยิบตามสบาย หนังสือธรรมะเป็นเหมือนแผนที่แผนที่นำทางสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าไม่อ่านก็เหมือนไม่ดูแผนที่ถ้าเดินทางไม่ดูแผนที่ก็เดี๋ยวก็หลงทางเวลาเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปเราต้องดูแผนที่อยู่เลย พระอาจครับภรรยาเนี่ยเขาทำบุญไถ่บาทุกวันเนี่ยแล้วก็ชวนสามีมให้ร่วมเลยแต่ว่าการเตรียมอะไรภรรยาเตรยยียมทุกอย่างสามนี่สามีได้บุญเลื่อนหถ้าเป็นเงินของเราเป็นของร่วมกันก็ได้ถ้าเป็นเงินสามีนะฮะเป็นเงินของสามีถ้าเป็นของสามีสามภรรยายก็ไม่ได้บุญได้แต่ได้แต่ต้องช่วยช่วยทำของให้ประชัยาของร่วมสามีด้วยถ้าของภรรยาก็มีด้วยได้ของกายของมันต้องเป็นของ เขาชวนผมไปตลาดนะนรครับเวลาเาเรียมอาหารนะครับแต่ว่าถ้าชวนไปใส่ใส่บัตรได้คือถ้าของเงินที่เขาไปเตรียมเงินที่ซื้อของใส่บาทเป็นของสองคนก็ได้ทั้งสองคนอ่าไดชวนไปใส่มาละองละองต่อไปผมก็ชวนเขาไปใส่หลายๆองรั บ, บ, บรถไปซื้อตามใส่บัครค่ะอันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่นะยังไม่เยอ วันนี้เฟ c e b o o สี่ร้ยห้าสิบเจ็ดค่ะยู u t u หนึ่งร้อยห้าสิบวิทีโอสิบห้าค่ะวี่รยหสิบเจ็ดหกร้อยกว่าหกร้อย่สิบสองค่ะอย่ิบสองทางบ้านตอนนี้ก็มีเวลาประมาณยี่สิบสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทีมาไกลเนี่ยมาจากต่างประเทศมาเพื่อมาปฏิบัติเนี่ย เขาเวลาเขาศึกษาแล้วเขาก็สนใจเห็นคุณค่าของการปฏิบัติที่ประเทศเขาถึงแม้จะเจริญขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีที่ปฏิบัติทมไม่มีครูอาจารย์ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมะเมืองไทยนี่วิเศษกว่าเมืองนอกตรงนี้ ฝรั่งอยู่เมืองนอกอยังต้องมาเมืองไทยแต่คนไทยไม่ชอบคนไทยชอบของฝรั่งชอบไปเมืองฝรั่งกันแต่ฝรั่งชอบมาเมืองไทยภาษาไทาเราอยากได้แนวทางที่ถูต้องอ่าคือาทีอ่านแล้วไม่เข้าใจต้องถามเหมือนกับเราเล่นแทควันโดนี่ไปอ่านตำรามันก็ไม่เข้าใจหรอกต้องถามคนที่เ้าเล่นได้เหรียญแล้วเนี่ยถามเขามันจะละเอียดกว่าก็นะเจ็ด แบกชีกแบกเสือมันอ่านได้แต่ไม่เข้าใจแต่วานนั้นจริงๆไม่เข้าใจเหมือนกันหนังสือบอกสติแต่ไม่รู้ว่าสติหมายความว่าอย่างไงพุทโธพุทโธอย่างไะมีคำถามไหมมีค่ะคำถามจากคุณปัาภพรสักยัตสักกายยทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราคือเป็นเพียงความเห็นแต่ไม่ใช่กัน สามารถพิจารณาแยกกายจิตใช่หรือไม่เจ้าคะสักกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราต้องมาแก้สักกายะทิฏฐิว่ามันเป็นความเห็นผิดร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อแม่ใช่หมพ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราเป็นผู้ที่มารับร่างกายจากพ่อแม่แต่เราไม่รู้ตอนที่เรามารับ เราคือผู้รู้ผู้คิดร่างกายนี้คิดไม่เป็นรู้ไม่รู้อะไรถ้าไม่มีผู้รู้ผู้คิดมาอยู่ร่างกายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ต้องมีผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ผู้คิดก็มารับร่างกายจากอยากแม่ที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาในท้องผู้รู้ผู้คิดก็จะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่าวิญญาณ ในขันห้าเนี่ยวิญญาณนี่มีอยู่ห้าห้าเส้นด้วยกันมาเกาะที่ตาเกาะที่หูเกาะที่จมูกเกาะที่ลิ้นและเกาะที่ร่างกาย mm hmm. ก็จะได้รับข้อมูลได้ mm hmm. เวลาตาเห็นอะไรวิญญาณก็จะส่งภาพที่เห็นนี้ไปให้ที่ให้ผู้รู้คือใจอีกทีนึ่ง mm hmm. ใ, ใจจึงไม่ได้เป็นร่างกายแต่ไม่มีใครสอนไง พอเกิดมาพ่อแม่ก็สอนว่าร่างกายนี้เป็นเมือทุกคนก็คิดว่าร่างกายเป็นเรา <sağ S 1> คิดว่าเป็นผู้รู้ผู้คิด <neur> ผู้รู้ผู้คิดไปคิดว่าร่างกายเป็นเรา uh <G> ก็เรามาสอนผู้รู้ผู้คิดหม่ว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาเท่านั้นเองตุ๊กตาที่เราได้รับมาจากพ่อแม่แล้วเราก็เล่นกับตุ๊กตาเหมือนเหมือนเวลาเด็กเวลาซือ้อตุ๊กตาให้เด็กเล่นเด็กเด็กมันก็เล่นกับตุ๊กตาไป แต่อย่างน้อยมันรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตุ๊กตาเพราะมันมีร่างกายแต่ผู้รู้ผู้คิดนี้มันไม่มีร่างกายมันเลยไม่รู้ว่าตัวมันเป็นอะไรมันก็เลยมาคิดว่ามันเป็นร่างกายมันมาคิดว่ามันอยู่ในร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปต้องเป็นคนที่นั่งสมาธิถึงจะแยกผู้รู้ผู้คิดออกจากร่างกายได้ถึงจะรู้ว่าผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นสองคนพอรู้แล้วก็ต้องมาคอยสอนเวลา เวลาออกจากสมาธิมามันกลับมารวมกันมันก็จะคิดเหมือนเดิมจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราตอนนั้นก็ต้องใช้ปรรัญญาคอยเตือนใจสอนใจอะไรเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปคิดว่าเป็นเราเวลามันแก่เจ็บตายเราจะทุกข์มากถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่ให้มันตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมัน uen. Uen. คนที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังรู้ไม่จริงรู้แต่ทําไม่ได้รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ยังไม่ยอมปล่อยเหมือนไปเอาลูกของคนอื่นมาแล้วเอามาเลี้ยงแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกของเราอ่ะแต่เวลาพ่อแม่ก็จะมาขอคืนก็มายอมให้คืนเับทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่อันนี้ก็เหมือนกันเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะ ได้ยินได้ฟังว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงพูดว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เวลายอมมาบาลมาขอาร่างกายคืนไปไม่ยอมคืนนไม่ยอมให้แก่ไม่ยอมให้เจ็บไม่ยอมให้ตายเพราะเราไม่มีกําลังปล่อยกําลังปล่อยก็คือสติเนี่เราต้องมาฝึกสติหยุดคิดทําใจให้หยุดคิดถ้าทําใจให้อยู่เฉย พอตามใจอยู่เฉยๆก็ปล่อยร่างกายอย่างนั้นต้องมีทั้งปัญญาทั้งมีสมาธิถึงจะละส ก, กายา ท, ท, ทิทิได้ต้องรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วต้องมีกําลังที่จะปล่อยร่างกายเวลาร่างกายจะไปก็ให้มันไปได้หลังจากคุณวันศุกร์ถ้าเราไม่กลัวตายจริงๆก็ควรคิดว่าชีวิตจากนี้ขอใช้เพื่อเข้าทางถึงความสงบของใจ โดยออกจากทั้งโลกคือลาออกจากงานและหาที่อยู่ที่เหมาะสมกับวิถีนักบวชเพื่อปฏิบัติให้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเงินใช้ไว้ตอนแก่เจ็บป่วยหรือไม่ขอแค่มีที่อยู่และได้ปฏิบัติก็พออนาคตคิดว่าตายเป็นตายคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใช่คนที่ละส ก, กายะทิฏฐิด้นี้จะต้องมีสมาธิก่อนเี่ต้องก่อนจะมีปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขในตัวเอง ถ้ามีสมาธิแล้วไม่โกลัอดตายแล้วไม่กลัอ ด, า ย, อดอยากขาดแคลนไม่กลัวที่จะต้องไปทําตัวเป็นแจวเป็นคนรับใช้ใครเพื่อที่จะหาอาหารมาเลี้ยงปากเป็นภาพนี่กเหมือนเป็นเหมือนขอทานใช่ไหมนี่ก็เราไปอาศัยการขอทานทุกเช้าเนี่อาหารเขาใส่มาให้แต่ถ้ามีความสุขก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีความสุขใจมีก็กินไม่มีก็ไม่มีก็อดกินไปอย่างมันก็ตายตายก็ตายไปแต่ความสุขในใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความสุขความอิ่มใจก็ยังอยู่เต็มที่อยู่นนนะคนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องมีสมาธิต้องมีใจที่สงบก่อนถ้าไม่มีที่สงบนี้ปัญญานี้มันไม่สามารถที่จะทาให้ใจทำตามที่ปัญญาบอกได้ค่ก<อ>คุณเอค่ะเป็นแม่บ้านสามีทำงานคนเดียวหากทำบุญหนูจะได้บุญด้วยไหมคะส้าเงินนั้นเป็นของทั้งสองคน<อ>ก็ได้ ถ้าแยกกันก็ไม่ได้ถ้าเงินของสามีเป็นของสามีเงินของเราเป็นของเราแล้วสามีก็ไปทําบุญนี้เราก็ไม่ได้ถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องเงินของเราฝากสามีไปทําด้วยถึงจะได้แต่ถ้าเป็นของสองคนก็ได้แต่ต้องยอมกัอนก่อนไม่ใช่ทําไปแล้วอีกคนไม่ยอมเดี๋ยวก็มีเรื่องได้ก็ต้องต้องรับรู้กัน เดี๋วถ้าไม่เช่นนั้นก็ต้องขอแยกเงินทำบุญไว้เป็นส่วนหนึ่งของใครของมันไปถ้าเขาไม่ชอบทำบุญเราชอบทำบุญอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปบงังคับให้เขาทำบุญกับเราเขาอาจจะไม่อยากจะทำก็ต้องตกลงกันหม่ว่าอย้นขอเอาเงินทำบุญนี้แยกไว้คนละส่วนคนไว้ส่วนของคุณเราไว้ส่วนของเราแล้วเวลาทำเราก็จะได้ของเราเพียงคนเดียวเขาไม่ได้หรือถ้าเขาทำเราก็ไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้แยกส่วนแล้วถือว่างานทุก เป็นสองทั้งสองคนถ้าทําบุญก็ได้ทั้งสองคนแต่ต้องยินยอมกันถ้าทําบุญด้วยความไม่ยินยอมมันก็ไม่ได้บุญเพราะใจไม่สุข ใ, ใจมันเสียดายขออัานอาจารย์ตอนนี้ยอย่างถ้าเถอะว่าเขาไปทำบุญสร้างคดีงี้มาเงี้ยแล้วแต่เท้าเขาบอกว่าทำบุญไปเท่าไหร่แล้วเราก็เขาไมบอกเราเราเราก็หมดหน้าสักตุลแล้วก็ขอร่วมบุญเขาอย่างเงี้ยให้ประจัยเข้าไปร่วมบุญนี่เราได้ไหครับได้ได้แล้วเขาทำไปห้าร้บอกเอาขอร่วมบุญด้วยสองร้อย อได้ได้ไหมครับถ้าห้าร้อยเขาทำไปได้ไหมครับถ้าร้อยเป็นของเขาเราทำไปแล้วถ้าเขาทําไปแล้วเราให้เขาสองร้อยเขายอมแบ่งบุญให้เราก็ได้ครับเขาแสดงว่าเขาเขาได้แค่สามร้อยเขาไม่ได้ห้าร้อยเขาแบุญให้ครัเขาแบ่งบุญให้หรือว่าถ้าเราไปทําบุญแล้วขอเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ลดบุญที่เราทําไปเช่นทำพันเลงแล้วไปลดหย่อนเหลือเก้าร้อยร้อยหนึ่งเอาภษีเป็นเป็นของของรัฐบาลมาจ่ายให้ อย่างนี้เราก็ทําแค่เก้าร้อยอีกร้อยหนึ่งก็เป็นของรัฐบาลไปต่อไปน้องไม่ชอบเข้าวัดทําบุญแต่เลี้ยงดูแม่ดีมากเรื่องอาหารการกินแต่มักเอาเงินแม่ไปทีก้อนใหญ่ๆและยืมทองแม่ไปหมุนทําการค้าบ่อยๆคืนแม่บ้างไม่คืนบ้างแบบนี้จะบาปไหมและหากเมื่อตายไปน้องจะได้ไปสู่สุคติไหนคะก็ขึ้นอยู่ว่าเอาไปโดยขออนุญาตจากแม่หรือเปล่า ต้องเป็นของที่เขาอนุญาตเอาไปถึงจะไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ถ้าเอาไปโดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของเขาไม่รู้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ได้ก็บาปได้ตายไปก็อาจจะไปอาบายได้คำถามจากคุณสุสธิพงศิธิพงศ์ค่ะ ในเมื่อเรายัางมีธาตุขันอยู่ใจยังต้องกระทบกับอารมณ์ต่างๆมีทั้งพอใจไม่พอใจแต่ไม่ยึดถือเอามาใส่ใจมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเมื่อเรายัางมีภาระหน้าที่ที่ต้องทํางานพบปะผู้คนอยู่พิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ไปถูกต้องไหมครับก็ดีถ้าเราพิจารณาได้แล้วใจเราไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่มากระทบก็ถือว่าเราก็ได้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง <as> แต่ยังเป็นระดับที่ไม่สมบูรณ์ใจเรายังหวั่นไหวแต่เราใช้การพิจารณามาระงรับการหวั่นไหวไว้ถ้าแน่จริงมันต้องไม่หวั่นไหวเลย อ, อะไรมากระทบก็เฉยได้ไม่ต้องพิจารณาเพราะพิจารณามาหมดแล้วพิจารณามาก่อนแล้วถ้าเรามาพิจารณาทีหลังมันก็หวั่นไหวแต่พอมาพิจารณาทีหลังมันก็ระงับการหวั่นไหวได้ต่อไปอาจจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องนั้นอีกต่อไปก็ได้ถ้าเราพิจารณาแล้วเราจําได้ เ่าไปเท้าน้าพอมากระทบเราก็จะเฉยได้ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆกับทุกเรื่องที่มาทำให้เราหวั่นไหวคําถามจากคุณปาล์มหนูมีความคิดเห็นคนละทางกับคุณแม่เรื่องการเข้าหาครูบาอาจารย์ค่ะคุณแม่ชอบเข้าไปกราบใกล้ๆและพยายามเข้าไปให้ท uh ่านเห็นหน้าบ่อยๆให้ท่านเมตตา ต้องเข้าไปนั่งฟังธรรมใกล้ๆหรือพยายามเข้าไปอุปถากในวัดนั้นคุณแม่จะตําหนิหนูว่าไม่ศรัทธาไม่ยอมเข้าใกล้ครูบาอาจารย์แต่สําหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าการมาฟังธรรมจะได้นั่งไกลหรือใกล้ไม่ได้เครียดและการนั่งสํารวมอยู่นิ่งๆและถามคำถา ม, มาบางเวลาที่สงสัยเท่านั้นการที่หนูคิดแบบนี้ผิดหรือไม่คะอ๋อไม่ผิดอะเราถูกนะแม่เราผิดเพราะแม่ไปเห็นอาจารย์ที่ร่างกายของท่าน แต่เราเห็นอาจารย์ที่คําสอนของท่านซึ่งตัวอาจารย์ที่แท้จริงก็คือคําสอนไม่ใช่ตัวร่างกา ย, ยาไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งใกล้ชิดกับร่างกายของครูบาอาจารย์ให้ท่านเห็นว่าเรามาทําบุญมาฟังธรรมหรอกไม่ต้องให้ท่านมาชมเราหรืออะไรเราออย่างพระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ว่าถึงแม้เธอจะนั่งเกาะชายพ้าเหลืองเราแต่ท่าใจของเธอลอยไปลอยมาไม่มีสติ ฟังทมไม่รู้เรื่องเธอก็เหมือนอยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชน์ส่วนถ้าเธออยู่ห่างไกลจากเราเป็นโยชแต่มีสติคอยพิจารณาธรรมที่เราสอนอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเธออยู่ใกล้เราอยู่เกาะชายาเพลาหรือของเราดังนั้นการจะใกล้ครูบาอาจารย์หรือไม่ใกล้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ธรรมะว่าเราอยู่ใกล้คำสอนของท่านหรือไม่คำถามครับ ที่พุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นธารพุทธเ้าเห็นเราเนี่ยในความหมายตรงไหนเห็นคาสอนเห็นนี่ตรงไหนครับก็เห็นคําสอนในใจเราจําได้พรับแล้วก็ที่เจ้าบอกอนิจจังพอลูกเราตายเราก็นึกถึงพระนิจจังขึ้นมาหายทุกข์คือมีบางคนที่เข้าศึกษาคําสอนพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วบอกว่าบอกผู้ใดเห็นธรรมพุทธเจ้เขาบอกเห็นในในในหนังสือนี่แหละก็คําสอนอยู่นี้ผมก็ยังหลงลงอยู่ก็เห็นเหมือนกันแต่เห็นชั่วคราวไงเห็นในขณะที่ที่อ่าน เดีวพอหยุดอ่านก็หายไปแต่ถ้าเห็นแบบถาวรก็เห็นอยู่ในใจจําได้ตลอดเวล า, วาเห็นแบบสองแบบผมบอกว่าอย่างนี้นี่ถ้าเกิดว่าแก่แล้วมันลืมแล้วทําไงอ่านั่นเขาแสดงว่ายังไม่เห็นเห็นแบบชั่วคราวไงก็ลืมแล้วทำไงถ้าเห็นจากการปฏิบัตินี่มันไม่ลืมมันจะจําได้มันจะอยู่กับใจไปตลอด เห็นต้องปฏิบัติจรงเขาก็ไม่เขาเขไม่ยอมนะโอเถียงมันชุนมันสาโมโหก็อย่าอย่าไปเถียงด้วยกันเลยก็เดินแล้วมันหยื่ทับโกรแต่ผมไม่พอใจเขาแบบขอก็เลยไม่ไม่เถียงได้เราไปเราไปจี้ใจดำเขาอแต่ก็เขาเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าการได้อ่านได้ฟังก็ได้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จริงแต่เป็นแค่ขณะที่ได้อ่านได้ยินถ้าไม่เอามาพิจารณาต่อเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้าอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืม อย่างมีคนถามว่าพระอรหันต์นี่มีอะไรลืมลืมอะไรได้หรือเปล่าทา่านก็ตอบว่าได้จําชื่อคนไม่ได้บ้างจําวันที่ไม่ได้บ้างนีลืมได้เพราะมันเป็นเรื่องความจําแต่มีอะไรที่พระอรหันต์ไม่ลืมมั้ยมีอะไรท่าอริยสัจ ส, สี่ทํานี้ไม่มีวันลืมสำหรับพระอรหันต์ท่านรู้ตลอดเวลาว่าใจของท่านทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสมุทัยดับ ดับทําให้ความทุกข์ดับได้ไงก็ดับสมุทยัยดับด้วยอะไรดับด้วยปัญญาดับด้วยสติด้วยปัญญาอันนี้ไม่มีวันลืมเหมือนคนที่เล่นแท็ควันโดได้แล้วไม่มีวันลืมอะเตะได้ทุกทีใช่ไหมจะแก่ขนาดไหนก็เตะได้เพราะมันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการฝึกฝนอบรมไม่ใช่เกิดจากการอ่านตำราถ้าอ่านตำราเดี๋ยวก็ลืมได้ต่างกันตรงนั้นอ้าอีก คำถามสองคำถามคำถามต่อจากคำถามเมื่อกี้นะคะยังไม่ค่อยแน่ใจคือสามีหาเงินคนเดียวให้หนูเป็นแม่บ้านถ้าเราอยากได้บุญคือต้องตกลงกันว่าเป็นเงินทั้งสองคนคือใช้ด้วยกันอย่างนี้ถอย่างนี้หนูถึงจะได้บุญใช่ไหมคะใช่ต้องถือว่าเป็นเงินของเราหรือทําห้เงินก็ให้ให้ให้เขาให้เงินเดือนเราในฐานะเป็นแม่บ้านของเขาแ ล, แ, ลแล้วเราก็เงินที่เขาให้มาที่เราไปทาบุญ ก็แล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวจะมีการตกลงกันยังไงบางครอบครัวก็ถือว่าของใครเหมือนข อ, ข, ของเขาของเราเป็นของคู่กันใช้ได้ใช้แทนกันได้อันนี้ก็เอาไปทําบุญได้แต่ถ้าเขาบอกว่าอันนี้ของผมอันนั้ของคุณอันนี้ก็ต้องแยกกันไปคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกาบเรียนถามพระอาจารย์เป็นความรู้เจ้าคะ่ะ คนที่ต้องเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆเป็นเพราะความคิดในใจไม่ส ง, งบใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นคนจุ้จี่จุกจิกปัญหามากมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ทกใจก็ผ่านแล้วไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะย้ายงานไปเรื่อยๆแต่คนที่มีความส ง, งบมีความนิ่งก็มีอะไรมากระทบ ก, ก็พอที่จะทำใจได้ก็ไม่ต้องไปย้ายถ้าจะย้ายก็ต้องมีเหตุผลจริงๆไม่ใช่ย้ายด้วยอารมณ์เช่น บริษัทจะต้องปิดอย่างนี่หรือเขาต้องปดเราเหรือว่าเราได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีกว่านี่เราก็ย้ายถ้าย้ายแบบเหตุผลนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าย้ายเพราะอารมณ์นี่ก็เป็นเรื่องของใจเราไม่ดีเองใจเราหดยิ่ใจเราจู้จี้จุกจิกอ่าคาถามหนึ่งคําถามสุดท้ายมีไหมอ่าถามจากคุณเป็นอิสระภาพ นั่งสมาธิมาสักพักหนึ่งแล้วจิตใจดีอิ่มสุขจิตรู้บ้างเป็นบางครั้งแต่ระยะหลังนี้อยากแต่นั่งสมาธิเป็นอย่างนี้คือคืออะไรคะคือเราติดนั่งสมาธิหรือเปล่าคะก็มันเป็นความสุขไงาเปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนเราหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นพอเรามานั่งสมาธิเราได้ความสุขที่ดีกว่าสบายกว่าเราก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุข ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนดีซะอีกไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีร่างกายก็ไม่เดือดร้อนใช้ร่างกายไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาเอาละนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป Ta. -a.